จเจรินพรทุกท่านอุตส่าห์มาฟังรถติดมากเลยกรุงเทพแต่เราก็เลือกไม่ได้อยู่กรุงเทพก็เป็นอย่างนี้นะสังคมในกรุงเทพไม่ไม่ไมีความสุขเท่าไหร่ซับซ้อนทุกอย่างแย่งกันหมดแย่งกระทั่งอากาศหายใจนะถ้าเราอยู่บ้านนอกนะ เวลาก่อนจะถึงกรุงเทพมันมองเข้ามานะเห็นกรุงเทพมันเหมือนกระทะครอบไปเลยอากาศดำดำคลุมไปเราจำเป็นต้องหายใจอ่ะไม่หายใจก็ไม่ได้ทุกอย่างมันเครียดไปหมดรถก็เยอะคนก็เยอะการเมืองก็ไม่รู้จักจบ นี่ในสังคมแบบนี้เราเลือกไม่ได้เราต้องอยู่ให้ได้ทําไงเราต้องอยู่ให้ได้นะเราหนีไปไหนก็ไม่ได้นะต้องอยู่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนสังคมตามใจเราชอบนะการเมืองเราสั่งมันไม่ได้มันก็เป็นอย่างเนี้ยเศรษฐกิจมันก็เป็นอย่างเนี้ยสังคมมันก็เป็นอย่างนี้สังคมทุกวันนี้นะ แห้งแล้งตอนหลวงพ่อเด็กๆนะสังคมมันอบอุ่นกว่านี้เยอะตอนหลวงพ่อเด็กๆะคนมียี่สิบกว่าล้านคนน้อยนะแต่ว่าอบอูนเดี๋ยวนี้คนเยอะแต่ว่าตัวคนเดียวเราก็เลือกไม่ได้อีก่แสังคมมันเป็นอย่างเนี้ยความรุนแรงอะไรก็มากมายไม่มีเหตุมีผลอะไร ในความวุ่นวายบีบคัน้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราเลือกไม่ได้เราต้องรู้วิธีที่อยู่กับมันให้ได้คือถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริง น, นะไม่ว่าเราจะมีชีวิตยอยู่ที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเนี่ย น, นะเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีความทุกข์ทางใจความทุกขนะ์นั้นมันเข้ามาได้แค่ร่างกายแต่ความทุกข์มันเข้าไมา่ถึงจิตถึงใจเราหรอกถ้าเรารู้จักวิธีที่จะดูแลจิตใจของเรา ความทุกขมันเกิดจากใจเราเนี่ยมันยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้ไม่ได้อย่างสิ่งที่ดีๆกำลังปรากฏอยูนะ่เรายอมรับไม่ได้ว่ามันอยู่ชั่วคราวเราก็กังวลกลัวมันจะหายไปหรือพอมันหายไปเราก็เศร้าโศกเสียใจสิ่งที่ดีๆหายไปเรายอมรับไม่ได้หรือเรายอมรับไม่ได้ว่ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างเจ็บป่วยขึ้นมา หรือถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกอะไรอย่างนี้เรายอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่นี่ไม่ได้เราก็ทุกทางใจขึ้นมาหรือเราก็คิดว่าเมื่อไร่สิ่งเลวร้ายมันจะผ่านไปเร็วๆให้มันพ้นๆไปเสียทีการที่ใจเรามันมีความอยากนะความอยากทั้งหลายเนี่ยมันปฏิเสธความจริงเราอยากให้สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นอยากให้สิ่งบางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ถาวร เราอยากให้บางอย่างไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบางอย่างเราก็อยากให้มันจบเร็วๆเนี <historical> ่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเราเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างเราต้องแก่เราไม่อยากแก่เราต้องเจ็บเราไม่อยากเจ็บเราต้องตายเราไม่อยากตายพอแก่ขึ้นมาก็ทุกข์นะคลุ้มใจพอเจ็บขึ้นมาก็ทุกข์ตายขึ้นมาก็ทุกข์เราไม่อยากพราดจากคนที่เรารัก คนนี้เรารักเราอยากอยู่นิรันดร อ, อยู่ด้วยกันตลอดไม่นานเลยก็ทิ้งเราไปแล้วเรายอมรับไม่ได้ใจก็ถูกมากพระเจ้าสอนให้เราอยู่กับโลกของความเป็นจริงให้ได้ไม่ใช่เอาความอยากมานําหน้าเราอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี้ยเป็นของชั่วคราวทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยนะถูกบีบคั้นที่จะใหสลายตัวไป อยู่ได้ชั่วคราวเหมือนกันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่ให้แตกสลายไปอย่างความรักนะของหนุ่มสาวอะไรนี้พอมีขึ้นมานะมันก็ถูกบีบคั้นทุกวันทุกวันนะให้สลายไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็หายไปร่างกายนี้มีขึ้นมาแล้วกนะ็ถูกบีบคั้นนะให้สลายไปสักวันมันก็ต้องหายไปนี่คือความจริงนะความจริงของทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่คงที่มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่ให้สลายตัวแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเราสั่งมันไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราสั่งได้สักอย่างหนึ่งแค่สั่งไม่ให้ผมงอกอยังสั่งไม่ได้เลยสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บมันสั่งไม่ได้สักอย่างถ้าเราเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะจนกระทั่งเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างถูกบีบคั้นให้สลายตัว ทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับถ้าใจเรายอมรับตรงนี้ได้นะเราจะไม่เกิดความอยากที่ไร้เดียงสาและความอยากทั้งหลายนะัมันไม่ยอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่ของนี้มีก็อยากให้ไม่มีหรือมีแล้วก็อยากให้อยู่นิรันดร์นึกมันผิดธรรมชาติอยู่นิรันดร์ไม่ได้ทำไงใจเราจะยอมรับความจริงได้ไม่ใช่นึกๆเอาหยนุนหยน่ยอมใจไม่ได้ยอมจริง ก, ก็แก้ความทุกข์ทางใจไม่ได้ พระพุทธเจ้าเลยสอนศาสตร์ให้เราอันหนึ่งนะศาสตร์ที่เรียนรู้ความจริงของชีวิตถ้าเรารู้ความจริงของชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําไว้แล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเรายอมรับได้แก่ก็ถือว่าธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาพ ล, ดพลาดพราดจากสิ่งที่รักก็ธรรมดาเจอสิ่งที่ไม่รักก็ธรรมดามีความอยากก็สมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราต้องฝึก ฝนนะตามวิธีการของพระพุทธเจ้าจนใจเราเห็นความจริงทุกอย่างมันธรรมดาธรรมดาเป็นอย่างนี้ธรรมดาไม่เที่ยงธรรมดาเป็นทุกข์ธรรมดาเป็นอนัตตาคือบั ง, บงคับไม่ได้ดังการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนทุกคนที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ถ้าคนไม่ได้คิดจะพ้นทุกข์จะอยู่กับทุกข์อยู่กับโลกอะไรอะไรอยู่กับโลก ก็ไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมจาเป็นอะไรทั้งๆที่มันเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดในชีวิตเราก็จริงๆแล้วทุกคนสแสวงหาความสุขทุกคนดิ้นรนหนีความทุกข์ตลอดเวลาแต่การหาความสุขการหนีความทุกข์ของคนทั่วๆไปนั้นมันเป็นมุ่งเไปที่การสนองความอยากทั้งนั้นเลยอยากมีเงินมากๆอยากนั่นอยากนี้ตลอดเวลาในชีวิตเราก็ดิ้นตลอดเวลาชีวิตนี่เหน็ดเหนื่อยแล้วได้มาไม่นานก็หายแตปสูญไป เน่ความจริงที่คนทั่วๆไปนะเข้าไม่ถึงเขาดิ้นรนหาความสุขดิ้นมาตั้งแต่เด็กจนแก่จนเฒ่าจนตายไปน ะ, ะความสุขเหมือนอยู่ข้างหน้าวิ่งไล่จับเงาไปเรื่อยๆจับไม่ติดสักทีในตอนตีเด็กก็คิดว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขไม่ต้องถูกครูบังคับไม่ต้องถูกอาจารย์สั่งให้ทํำเปเปอร์อะไรเนี้ยคงจะสบาย เรียนจบแล้วก็คิดว่านั้นได้งานดีๆทําจะมีความสุขเงินเยอะๆมีความสุขตําแหน่งใหญ่ๆมีความสุขนะมีครอบครัวดีๆจะมีความสุขมีลูกไร้ๆนะลูกหน้าตาดีด้วยไร้ด้วยไม่มองตัวเองเลยมันเป็นไปไม่ได้ะถ้ามีอย่างนี้แล้วจะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะมีความสุขเลยอยู่อย่างเนี้ยด้วยความหวังหวังว่ามีอันนี้จะสุขมีอันนี้จะสุขพอมีจริงๆนั้นมันก็ไม่ได้สุขจริง ความสุขมันก็วิ่งหนีไปอยู่ข้างหน้าให้เราวิ่งตามไปได้ชีวิตของคนในโลกนั้นเน็ดเหนื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าคนไหนสติปัญญากแก่กล้านะจะรู้ว่าวิธีหาความสุขด้วยการวิ่งตามเงา่งั้นไม่ได้จริงหรอกวิธีหาความสุขที่พระเจ้าสอนนะั้นมันต้องสุขที่เต็มที่อิ่มอยู่ในตัวเองใจมันมีความสุขอย่างแท้จริง มันสุกถึงขนาดที่ว่าร่างกายแก่ใจก็ยังสุกนะร่างกายเจ็บใจก็ยังสุกร่างกายจะตายใจยังสุกอีกนะเนี่ยตอนนี้มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านแสดงธรรมะอันนี้ให้พวกเราดูหลวงพ่อคําเขียนพ่อคําเขียนน่ะภาวนาเก่งนะจิตใจเนี่ยเบิกบานแช่มชื่ดมากเลยเป็นมะเร็งนะหมอก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไะแล้ได้แค่ใส่ท่อาาทอาหารท่อหายใจอะไรไหมแต่ท่านมีความสุขถ้าเป็นพวกเรา ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจนะเจออย่างนั้นเราทุกข์ตายเลยนะท่านเรียนอะไรท่านถึงมีความสุขอยู่ได้ก็เรียนสิ่งที่พระเจ้าสอนนั่นเองเรียนรู้ตัวเองถ้าเราเรียนรู้ตัวเองให้ แ, แจ่มแจ้งนะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีตัวเราเป็นตัวตั้งเนี่ยทุกสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ด้วยนะั้นมันมีลักษณะอย่างเดียวกันคือเราจะเรียนศาสตร์ของการเรียนรู้ตัวเองนะ สิ่งนี้เป็นของสําคัญเป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าให้เราไว้ถ้าเราทําได้จริงนะเราจะไม่ทุกข์แล้วล่ะแก่ก็ไม่ทุกข์เจ็บพวไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกข์นะคนที่เรารักไม่อยู่แล้วเราก็ไม่ทุกข์อะไรอะไรก็ไม่ทุกข์เท่านั้นแหละการจะเรียนรู้ตัวเองนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองเราจะต้องเรียนรู้กายอย่างที่กายเป็นเรียนรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนี่การที่คนทั่วๆไปจะมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองนีมันไม่สามารถทําได้ เพราะว่ามันมีอุปสรรคสําคัญอยู่สองข้อมันทําให้เรียนรู้ตัวเองไม่ได้สัทีอุปสรรคข้อแรกเลยนะก็คือความที่เราใจลอยรู้จักใจลอยไหมทุกคนใจลอยเก่งนะวันวันหนึ่งมันจะหนีตลอดเวลาเวลาที่เราใจลอยนะเรามีร่างกายแล้วก็มาลืมมันไปเรามีจิตใจเราก็ลืมมันไ ป, มมนไปอย่างเราใจลอยยุ่งมากัดเราก็ไม่รู้ใช่ไมังนั้นใจลอย นี่ความใจลอยก็เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของนักปฏิบัตินะของคนที่จะเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองเพราะทุกคราวที่ใจลอยเนี่ยมีร่างกายก็ลืมมันมีใจก็ลืมมันเนี่ศัตรูร้ายที่สุดเลยนะคนในโลกเนี้มันใจลอยทุกคนอะ่ะตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยหาคนที่รู้สึกตัวนะมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยหายากที่สุดเลยตื่นนอนขึ้นมามนก็คิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่น จะทำอะไรวันๆนะมันก็สนใจแต่ของข้างนอกทั้งนั้นเลยอย่างเวลาเราไปไหนมาไหนรถติดนะพอรถติดเนี่ยสิ่งที่เราสนใจก็คือทำไมรถติดจะมองไปข้างนอกเราไม่เห็นนะใจกำลังเล่าร้อนนะทุรนทุรายเนี่ยเราไม่สนใจตัวเองเรามจะเอาความสนใจของเราไปอยู่ที่อื่นหมดนะไปอยู่กับรูปที่มองเห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สัมผัสนะรถที่ได้สัมผัส เราสนใจสิ่งที่มาถูกร่างกายของเราถ้าสังเกตให้ดีเราสนใจสิ่งที่เรามองเห็นมากกว่าสนใจตาของตัวเองเราสนใจเรื่องราวหรือเสียงที่ได้ยินมากกว่าสนใจหูของเราเองเราสนใจกลิ่นมากกว่าจมูกของตัวเองเราสนใจรสมากกว่าสนใจลิ้นของตัวเองอย่างเวลากินข้าวเรารู้ไหมลิ้นสัมผัสรส เ, เราไม่รู้หรอกนะเรารู้แต่รสใช่ไหมรสอร่อยรสนั้นไม่อร่อยอะไรเนี่ยเราสนใจออกไปสิ่งอื่น ไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆเลยเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราล่าเลยตัวเองบ่อยที่สุดเลยเวลามีอะไรมาสัมผัสร่างกายเราไม่สนใจร่างกายเราเราสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเวลาใจมันคิดเราสนใจเรื่องราวที่คิดเราไม่สนใจจิตใจของเราเองเนี่ยความสนใจของเราไปอยู่ข้างนอกหมดเลยต่อไปนี้เราลองกลับข้างนะความสนใจของเราเนี่ยย้อนกลับมาที่ตัวเราเองที่กายที่ใจของเราเอง โดยเฉพาะความสนใจนะควรจะเข้ามาอยู่ที่ใจให้ได้นะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะถือว่าไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติเลยงั้นเวลาสังเกตให้ดีอย่างเวลาตาเรามองเห็นเวลาตาเราเห็นเห็นอย่างนี้นะใจเรารู้สึกอย่างนี้เวลาเราได้ยินเรื่องนี้ใจเรารู้สึกอย่างนี้เราได้กลิ่นอย่างนี้ใจเรารู้สึกอย่างนี้ เราได้รถอย่างนี้ใจเรารู้สึกอย่างนี้เรามีสิ่งมาสัมผัสร่างกายแบบนี้ใจเราเป็นแบบนี้เราคิดเรื่องนี้ใจเราเป็นแบบนี้ให้คอยรู้ทันอยู่ที่ใจนี่แหละเพราะใจนี่เป็นตัวหัวโจกเลยนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็อยู่ที่ใจนี่เองนี่คนทั่วไปนะอย่าว่าแต่สนใจจิตใจของเราเองเลยก็ะทั่งร่างกายยังลืมเลยมวสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นรถติดก็ไปสนใจนะทไมรถติดคนขับรถปาดหน้าใจโกรธไม่รู้ว่าใจโกรธ ว่าจะสนใจไอ้คนที่ปาดหน้าเรานะหรือเวลาดูข่าวการเมืองหเราลืมตัวเองตลอดเราลื่มตัวเองไม่ว่าเราสนใจอะไรนะความสนใจเราจะไปอยู่ข้างนอกเราลองกลับข้างความสนใจของเรานะกลับข้างเข้ามาที่ใจของเราให้ได้ถ้ากลับข้างความสนใจเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจได้เนะี่ยเราจะค้นพบความจริงของชีวิตที่สำคัญมากเลยความจริงของชีวิตก็คือความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายนะ ที่หมุนเวียนเข้ามาในใจเราเนี่ยมันมีเหตุนล้วมันมาจากการกระทบอารมณ์ต่างๆเรากระทบอารมณ์อย่างนี้เราเห็นรูปนี้เราได้ยินเสียงอย่างนี้ได้กลิ่นอย่างนี้เราคิดเรื่องอย่างนี้ใจมีความสุขกระทบอย่างนี้ใจเป็นทุกข์กระทบอย่างนี้ใจเป็นกุศลกระทบอย่างนี้ใจเป็นอกุศลเวลาฟังข่าวการเมืองใจเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลใช่ไหมแต่ต้องฟังไหมต้องฟังจําเป็นอนะไม่รู้เรื่องเลยอ ย, อยู่ได้ยังไงใช่ไหมจะอยู่ในโลกก็ต้องเข้าใจโลกเหมือนกัน แต่ไม่ใช่เอหาปฏิบัติทำแล้วไม่รู้ว่าโลกก็ไปถึงไหนแต่ว่าดูข่าวไปต้องดูข่าวแต่ใจอยาให้เป็นอาคุศลี่นะค่อยๆฝึกเอาวิธีที่จะให้ใจของเราไม่ทุกขนะ์นะคือค่อยๆสังเกตไปทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเรานะเป็นของชั่วคราวไปหมดเลยรู้สึกไหมความสุขที่เข้ามาในใจเราก็ชั่วคราวรู้สึกไหมความทุกข์ที่เข้ามาในใจเราก็ของชั่วคราวนะความดีก็ชั่วคราวนะ ความโลภปวดห ล, ดลงอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยอย่างเวลาความทุกข์แรงๆเกิดขึ้นนะใจมีความเครียดมีความทุกข์มากเลยเรารู้สึกว่าชีวิตนี้อับเฉาละชาตินี้ไม่มีทางจะพ้นจากวังวนแห่งความทุกข์ไปได้แล้วนะอย่างบางคนอกหักอกหักครั้งแรกใครเคยอกหักครั้งแรกบ้างมีไหมท่านเนี่ยยกมือสิกลาหาญหน่อยดีกว่ารักไม่เป็นนะเอออย่างน้อยก็ <laughs> เป็นมนุษย์ปกติอะรักเป็นเหมือนกันะ เวลาอกหักเรารู้สึกแม่แมโลกมืดเลยใจเป็นทุกข์นะนึกไม่ออกเลยว่าทําไงจะหายแล้วหายไหมหายยังไงก็หายเนี่ยเราดูของจริงที่เกิดขึ้นในใจเรานะเราดูจนเห็นเลยว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างมันสั่งไม่ได้นะไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะสั่งได้เนี่ยคือวิธีที่เรียนรู้ตัวเองที่ง่ายที่สุดแล้วนะะเรียนรู้ลงมาให้ถึงจิตถึงใจเป็นวิธีที่ทุกคนทาได้อยู่แล้ว พวกเรารู้จักความสุขใช่ไหมรู้จักความทุกข์รู้จักโลกหลดโลรรู้จักหมดะดีก็รู้จักชั่วก็รู้จักสุขก็รู้จักทุกข์ก็รู้จักแต่ว่าที่ผ่านมาเราลาเลยเราหมดสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราไม่เคยสนใจจิตใจของเราเองต่อเป็นนี้ลองย้อนมานะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ถ้าเมื่อใดเราลืมจิตเติมใจของเรานะก็ถือว่าหลงไปและถือว่าหลงลืมตัวเอง ในขณะเดียวกันนะการที่เราจะคอยรู้จิตรู้ใจของเราต้องเป็นธรรมชาตินะอย่าไปจ้องเอาไว้นะบางคนแทนที่จะรู้จิตรู้ใจอย่างที่จิตใจเป็นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายก็ไปบังคับใจนะคอยจ้องจนใจมันทื่อๆว่างๆนิ่งๆนะอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เหมือนกันไม่เห็นความจริงเหมือนกันเพราะมันนิ่งกว่าความเป็นจริงงั้นตัวที่ทําให้เราไม่เห็นความจริงของจิตใจเรานะหรือของร่างกายก็เหมือนกันอนะ่ะมีสองตัว ตัวที่หนึ่งใจลอยมัวแต่สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจตัวเองตัวที่สองก็คือการที่เราเข้าไปแทรกแซงไปบังคับกายไปบังคับใจตัวเองนะพอเราบังคับกายบังคับใจเนี่ยกายก็ผิดธรรมชาติใจก็ผิดธรรมชาติแล้วเราจะไปดูธรรมชาติไปดูความจริงของร่างกายของจิตใจได้ยังไงหลวงพ่อจะทดสอบให้พวกเราดูนะเราเรียนเราก็ต้องทดสอบดูว่าจริงหรือไม่จริงต่อไปนี้ให้ทุกคนนั่งสมาธิ เคยนั่งสมาธิยังไงให้ทำนะทำอย่างที่เคยทำสังเกตไหมทำอะไรขยับยึดยักทย่ยักเลยนะบอกให้นั่งสมาธิตอนนี้ก็นั่งอยู่แล้วทำสมาธิไม่ได้นะต้องขยับก่อนพอบังคับร่างกายเรียบร้อยได้ที่แล้วนะก็บังคับใจทำให้คลุมๆก่อนถ้าคลุมมากก็เครียดเลยบางคนก็ทำใจให้อ่อนๆ ให้เคลิม้มนะอันนี้คือการดัดแปลงตัวเองแล้วนะทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่นะเราจะบังคับกายเราจะบังคับใจขณะนี้ทุกคนนั่งอยู่แล้วใช่ไหมมีร่างกายไหมเห็นร่างกายนั่งใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันนั่งเห็นด้วยใจที่ธรรมดาที่สุดเลยนะอย่าไปทําใจให้ขลุ่มๆนะใช้ใจปกติตอนนี้ไม่ค่อยปกติแล้วเครียดเกินไป ให้ทุกคนยิ้มหวานหานยิ้มซิยิ้มสังเกตไห้ใจผ่อนคลายล้วจาใจตรงนี้วนะใช้ใจอย่างนี้แหละรู้ร่างกายที่กําลังยิ้มอยู่ซิใช้ใจที่ธรรมดาเนี่ยแหละเห็นร่างกายมันยิ้มลองพยักหน้าซิใช้ใจธรรมดาเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าถ้าเราสามารถใช้ใจที่ธรรมดานะมาดูร่างกายได้เราจะเห็นทันทีเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นตัวอะไร ต, ตัวหนึ่งเท่านั้นเหมือนหุ่นยนต์ตัวนึงเองนะที่จิตไปรู้เข้าเอายิ้มหวานอีกที ใจอย่างนี้นะแล้วใช้ใจธรรมดาอย่างนี้รู้สึกร่างกายเห็นร่างกายยิ้มเราขยับมือเห็นร่างกายขยับมือธรรมดาที่สุดเลยนะการปฏิบัติทำเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อันแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจไม่ใจลอยไปรู้สึกอยู่อันที่สองต้องไม่บังคับกายบังคับใจไม่งั้นเราไม่เห็นความจริงของกายของใจ คนทั่วทั่วไปที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมนะมันจะใจลอยใจลอยทั้งวันเลยตื่นนอนมาก็คิดเรื่องอื่นคิดถึงสิ่งอื่นตลอดเวลาส่วนคนที่ปฏิบัติธรรมนะจะบังคับตัวเองตลอดจะสุดโต่งคนคล่า้างนะพวกไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะสุดโต่งค้างหลงไปเรื่อยเลยลืมกายลืมใจส่วนนักปฏิบัติเนี่ยจะบังคับกายบังคับใจอ้าวลงมือปฏิบัติอีกทีสิคราวนี้ไม่กล้ากระดิกตัวรู้สึกไหมแต่เกรง ร่างกายผิดธรรมชาติไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเคยนั่งอยู่ท่านนี้นะรู้ทันหลวงพ่อแล้วไม่เกี่กันอีกมันก็คือดัดแปลงอีกแล้วละ่ะะดัดแปลงอีกแล้วละ่ะรู้อย่างที่มันเป็นนะรู้อย่างที่มันเป็นแล้วจังง่ายใจของเราเนี่ยจะสบายรู้ไปด้วยใจที่สบายสบายใจที่รู้ใจที่ตื่นใจที่เบิกบานครนะาวหนึ่งนะหลวงพ่อเข้าไปวัดสนามใน นั้นหลวงพ่อเทียนมีชื่อเสียงหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่เทศเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่านะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าต้องวัดป่าหรอกก็ครูบาอาจารย์อื่นที่ท่านได้ยินว่าท่านก็พาวนาเก่งเข้าไปดูเหมือนกันเห็นหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือนะขยับสิบสี่จังหวะขงหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะสิบสี่จังหวะไปดูแล้วอลองมาทํานะลองทำหลวงพ่อเปลี่ยนเหลือนิดเดียวแค่นึง เราสังเกต ด, ดูหลงพ่อเทียนขยับเนี่ยหลงพ่อเทียนรู้สึกตัวด้วยใจที่ปกติเลยนะแต่คนที่ไปเรียนส่วนใหญ่แล้วคาราวะที่ไปเรียนกัลวงพ่อเทียนเนี่ยแต่ไปเครียด<ม>ถ้ามันไมป่ไปคิดเรื่องมือนะไม่ไปคิดเรื่องมือว่าท่านี้เราจมาท่านี้อีกพวกหนึ่งหนีไิคิดเรื่องอื่นเลยขยับคล่องมากนะขยับสวยเป๊ะเลยไหมขยับมานานขยับด้วยไขยสันหลังเนี่ยชนาญจิตมันไม่ได้รู้ตื่นเบิกบาน ในขณะที่หลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวนี่หลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวห so well. ลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเทียนโอ้ก็หลักเดียวกับที่ครูบาอาจารย์สอนมานั่นเองหลวงพ่อก็ขยับนะด้วยความรู้สึกตัวนะมันก็รู้สึกอย่างเดียวกันกับที่เคยทํากรรมฐานอยื่นนั่นเองเดินจงกรมนะมันก็เห็นร่างกายเดินทำานาพนสตินะเห็นร่างกายหายใจก็เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเดินแล้วมีสติอยู่เห็นร่างกายหายใจมีสติทุกลมหายใจเข้าออก เอาต่อไปทุกคนทดสอบนะลองมีสติรู้ลมหายใจสิรู้ไปที่ลมหายใจของตัวเองเอาละหลงได้ที่แล้วะพอหยุดยิ้มหวานก่อนการยิ้มหวานนะคล้ายๆล้มกระดานนะสังเกตในตอนที่เรารู้ลมหายใจเมื่อกี้ใจเรานิง่งๆทื่อๆแข็งๆนะเปลี่ยนใหม่ยิ้มหวานหวานก่อนถ้าไม่ยิ้มสอนต่อไม่ได้นะ เอ อ, อต้องใจใครอย่างนี้ใจคลายอย่างนี้เห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมนะดูทั้งตัวนี่มันหายใจลองเห็นร่างกายหายใจร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกสังเกตไหมว่าใจไม่เหมือนกันกับ ต, ตอนที่ทำเมื่อกี้รู้สึกไหมตอนที่เราไปจับลมหายใจใจเราทื่อเลยรู้สึกมเลิกลนะอย่าทำ อ, อย่าทาจิตอย่างนั้นเป็นจิตอกุศล จิตากุศลนั้นมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อมืดมืดหมัวหมัด้วยนะงนั้นเวลาเราจะรู้เราหายใจนะเห็นร่างกายมันหายใจเวลาเราจะเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินนะรู้อิทิยาบทสี่เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ไปด้วยใจที่ธรรมดาอย่างนี้ยรับความรู้สึกตัวมันจะเกิดนะใจมันจะตื่นใจมันจะเบิกบานขึ้นมามันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวมไม่ใช่เราหรอกนันไม่ใช่เราหรอกเป็นตัวอะไรสักตัวนึงที่เคลื่อนไหวไป ไม่ต้องคิดเลยว่าใช่เราหรือไม่ใช่เรานะาลองรู้ร่างกายหายใจใหม่เองรู้สิต้องใช้ใจที่ธรรมดานะใช้ใจที่ธรรมดามาเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของร่างกายมาเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของจิตใจแล้วเราจะเห็นธรรมดาเห็นธรรมดาว่าโอธรรมดาร่างกายนี้มันไม่เที่ยงหรอเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกธรรมดาของจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์สั่งไม่ได้ไม่ใช่เราหรอก ปฏิบัติทรรมจนกระทั่งใจมันยอมรับ ว, ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้นะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะมันก็เห็นว่าธรรมดามไม่ได้ไม่ทุกข์หรอกนะอย่าใจลอยนะรู้สึกตัวสบายๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้สึกตัวไวอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวนะอย่าให้ใจลอยแต่ใจลอยเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งนะ แล้วก็การบังคับตัวเองเป็นศัตรูเบอร์สองนะของการปฏิบัติอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองเหรอกภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่หลวงพ่อพูดเองแต่เนื้อหาไม่ใช่หรอกพรุทธเจ้าเคยสอนอย่างนี้เองนะคราวหนึ่งมีเทวดานะเทวดาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็มาหาพระพุทธเจ้าคล้ายๆจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ ไปถามพรุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะหมายถึงห่วงน้ําห่วงกิเลสเนะ่ยก็คือพระองค์ทํำยังไงแล้วบรรุพรอรหันต์นี่คล้ายๆมาแลกเปลี่ยนพระุทธเจ้าก็ตอบดูก่อนเทวดาเราข้ามโอคาได้ด้วยการที่เราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่ไม่พักและไม่เพียร น, นะเทวดางงเลยไม่พักเนี่ยก็ฟังรู้เรื่องใช่ไหมแต่ไม่ให้เพียรเนี่ยเทวดาไม่เข้าใจลนะ แต่เทวดานี้ดีนะมีจิตใจแบบนักวิชาการนะทั้งที่คิดว่าตัวเป็นพระอรหันต์นะพอไม่เข้าใจเนี่ยถามเลยนะว่าไม่พักไม่เพียรเป็นยังไงพระอาจารย์ท่านขยายความให้ฟังวอกดูก่อนเทวดาถ้าเราพักอยู่นะเราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นนะเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามกิเลส ด, ด้วยวิธีนี้เนี่ยสํานวน พ, พระพุทธเจ้านะนะเทวดาฟังแล้วก็บรรลุโสดาบันไดธรรมะนะ พวกเราฟังเหมือนเทวดาแต่ยังไม่บรรุนะก็ะขยายความอีกหน่อยคำว่าพักอยู่เนี่ยก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสลืมตัวเองนั่นเองหรือภาษาแขงอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากามสุขาริการุโยคใครเคยได้ยินไหมกามสุขาริการุโยคปล่อยตัวตามกามไปอะไรเรียกว่ากามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเรียกว่ากามนั่นเอง การที่เราปล่อยจิตใจของเราสนใจในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในกลิ่นในรสในสัมผัสนะหรือการคิดถึงเรื่องราวของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลานยะ น, นี่แหละใจมันก็หมกมุ่นอยู่ในกามอันนี้ท่านเรียกว่าพักอยู่นะจะจมลงคือใครที่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนั้นจิตใจจะตกต่ํำตกต่ําลงเรื่อยๆคําว่าเพียนอยู่เนะี่ยก็คือการบังคับตัวเอง การควบคุมตัวเองท่านใช้คําว่าอัตตะกิลมัฏฐานยุโยกเนะนี่ยถ้าหลวงพ่อมาถึงหลวงพ่อก็บอกพวกเราอย่าให้จิตสุดโต่งไปข้างกลามสุขาลิกานุโยคและอัตตะกิลมัฏฐานยุโยคนะเนี่ยพวกเราบางคนนะก็เริ่มหยิบยำหมองขึ้นมาลนะหยิบยำดมนะว่าภาษามันคนละยุค ก, กันนะนะภาษาของท่านก็ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกนะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอย่าใจลอยไป ใจลอยไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั้นก็คือการสุขริขาการณ์นยคอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจนะอย่าข่มมันให้รู้อย่างที่เป็นถ้าข่มมันนะก็เรื่องอัตตะกิลมัฐานุโยคทําตัวเองให้ลําบากทํำตัวเองให้ลาําบากเนี่ยจะลอยขึ้นหมายถึงว่าจะได้เป็นคนดีนะคอยควบคุมกายควบคุมใจของเราเนี่ยจะเป็นคนดีแต่ไม่นิพพานหรอกไม่พ้นทุกข์หรอกได้เป็นคนดีคนดีทุกข์ไหมคนดีพวกเราเป็นคนดีไหมเราไม่ชอบคอรับชั้น แล้วสุขหรือทุกข์อ่ะทุกนะทุกมากเลยคนดีก็ทุกนะคนชั่วก็ทุกนะแต่คนดีทุกนะแล้วก็จิตใจนะยกระดับขึ้นได้นะทุกแต่ว่ายกระดับขึ้นไปสุขติคนชั่วนะอาจจะสนุกสนานเพลิดเพลินนะปล่อยตัวตามกิเลสไปก็หลงลวนะมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้านะเนี่ยเราต้องไม่ให้ใจเราสุดโตงไปสองข้างนะเรียนรู้อยู่จริงๆนะ รู้กายรู้ใจนะอย่าลืมในขณะเดียวกันไม่บังคับกายไม่บังคับใจต้องซ้อมนะต้องซ้อมลองหัดรู้กายนะอย่างที่หลวงพ่อสอนไปทำเอานะยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานเออเห็นไมก็ยิ้มแล้วใจมันคลายนะแต่ถ้ายิ้มหลายทีใจชักไม่คลายแล้วนะยิ้มไม่ได้กินนะต้องใจผ่อนคลายนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ใจที่ผ่อนคลายใจที่มีความสุขเนี่ย จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นนะในตําราจะพูดบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นทันทีที่ใจเราผ่อนคลายเนี่ยสมาธิมันจะเริ่มมาแล้วมันจะเกิดสมาธิอย่างง่ายดายเลยนะทำใจให้สบายก่อนนะมีความสุขก่อนแล้เห็นร่างกายหายใจนะการดูร่างกายหายใจหรือดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นกรรมฐานที่ใช้ได้ทั่วๆไปหรอกนะลองดูร่างกายหายใจนะสัก1นนาทีลองดูแลนะชีวิตจะ มีความสุขขึ้นอีกเยอะเลย๋ย่ไปดูลมหายใจนะไปดูที่ลมให้ดูทั้งตัวเห็นร่างกายหายใจดูไปสบายๆหายใจอย่างเดียวก็เบื่อนะขยับมือด้วยไม่ดูร่างกายหายใจก็ได้ดูร่างกายเคลื่อนไหวก็ได้นะร่างกายพยักหน้าร่างกายอะไรเนะี่ยดูมันดูคนอื่นนะดูได้ใจที่ผ่อนคลาย ไม่นานเราก็จะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งเนี่ยจิตมันยอมรับความจริงนะตั้งกายไม่ใช่เราหรอกเพอะร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยต่อไปร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ก็ร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเจ็บก็ร่างกายเป็นคนเจ็บนะไม่ใช่เราเจ็บเพราะร่างกายไม่ใช่เราร่างกายจะตายก็เรื่องร่างกายมันจะตายไม่ใช่เราตายเนี่ยค่อยๆดูนะค่อยๆฝึกอย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยต่อไปเราเห็นร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอก มันจะแกะ่มันจะเจ็บมันจะตายมันจะเป็นอะไรนะ ใ, ใจเราไม่ทุกข์หรอกค่อยๆหัดรู้หัดดูไปไง่ายๆดูกายบ้างดูใจบ้างแล้วแต่ถนัดดูจิตใจเราก็เห็นในใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวนี่ดูอย่างนี้ไปเรื่อยนี่คือการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใจลอยไปไม่บังคับกายไม่บังคับใจ รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นดูมันดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียนะดูไปสบายๆถึงวันหนึ่งเราก็จะเห็นความจริงว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานะเวลาที่เราพลาดพลากจากคนที่เรารักอันนี้เป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจทางใจใช่ไหมเวลาเราเจอคนที่เราเกลียดเป็นทุกข์ทางกายหรือใจทางใจใช่ไหมนี่ความทุกข์ไอยู่ที่กายที่ใจทึ่ ความทุกข์ทางตายความทุกข์ทางใจนะถ้าเราเห็นว่าความรักมันก็ของชั่วคราวคนที่เรารักหายไปเราก็ไม่ถูกข์หรอกถ้าเราเห็นว่าความเกลียดก็เป็นของชั่วคราวนะคนที่เราเกลียดมาเราก็ไม่กังวลนะเราก็รู้อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปนี่เราเรียนจนเดีทั้งใจมันยอมรับความจรงิงนะร่างกายก็ชั่วคราวจิตใจก็ชั่วครา ว, ร ว, ราวนะนี่ต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบไหนนะเร็วสามต่าช้าแค่ไหนนะเราไม่ถูกข์หรอกทุกข์ก็ทุกน้อยกว่าคนอื่นเขานะ คนอื่นเขาเครียดเป็นบ้าเป็นหลังแล้วเราไม่เท่าไหร่ะทุกนิดนิดหน่อยๆพองามไม่ทุกเลยเนะเสียบรรยากาศก็เกิดมาในโลกทังตีก็ทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นตัวอะไรหัวเราะไหมเห็นตัวอะไรหัวเราะแล้วลเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าแยกขันนะที่เคยฟังซีดีหลวงพ่อไหมที่พูดเรื่องแยกธาตุแยกขันนะแยกขันแยกกายกายกระจแยกออกจากกันความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายแยกออกไป อย่างเราเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นแค่คนดูอยู่กายกับใจแยกกันถ้าแยกได้ไม่เริ่มเห็นไม่ใช่เราความสุขความทุกข์แตจิตใจก็คนละอันกันเวลานี้ในห้องนี้จํานวนมากเลยเนี่ยมีความสุขกัมีความเฉยเฉยสลับกันรู้สึกไหมส่วนใหญ่จะสุขกับเฉยสุขกับเฉยสลับกันเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะเห็นสุขกับเฉยสุขก็ชั่วคร้าวเฉยก็ชั่วคล้าวถ้าเวลาสัมผัสโลกข้างนอกให้มีทุกข์ ทุกกระเฉยทุกกระเฉยวเยอะนะไม่ค่อยมีสุขอ อ, อกไปค้นมหาวิเลยก็เห็นแล้วละ่ะแต่ละคนหน้ า, นาอย่างนี้หน้าเหมือนนางกวักเปกวักกลับข้างเนี้ยนะแต่ละคนโอ้ดูทุกอย่างเลยต้องฝึกนะเราเลือกไม่ได้เราอยู่ในสังคมแบบนี้เราทํากรรมชั่วร่วมกันมาเราต้องไม่อยู่ในสังคมแบบนี้นะเป็นวิบากที่เราต้องรับด้วยกันนะต้องรับผิดชอบด้วยกันนะทําไมบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะทุกคนมีส่วนรับผิดชอบนะ หลวงพ่อเห็นทั้งหลายปีมาแล้วละ่ะว่าบ้านเมืองมันทิศทางมันเป็นแบบนี้แน่นอนนะไม่มีทางหรอกไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งเลยอย่างชาวบ้านพก็ขายเสียงใช่ไหมหัวคะแนนซื้อเสียงหัวคะแนนก็หาเงินจากนักการเมืองนักการเมืองมาหาเงินจากรัฐมนตรีใช่ไหมรัฐมนตรีมาหาเงินจากใครหาเงินจากชาวบ้านกบวนหนึ่งเนี้ยวงจร อ, อุบาทเป็นอย่างนี้ทุกคนช่วยกันสร้างนะทุกคนช่วยกันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา คนเดียวทำไม่ได้หรอกช่วยกันสร้างบ้านเมืองให้เป็นแบบนี้เมื่อเราสร้างมาอย่างนี้เราต้องรับีิบากรับผลนะเวลานี้เราต้องรับผลกรรมของเราแนละ้วจะแก้ปัญหาบ้านเมืองอยังไงก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำไปนะแต่ในใจเนี้ยต้องพัฒนานะในความบีบคั้นในความลําเข็นนะของสภาพชีวิตนะทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรวุ่นวายทุกวันเนี้ยทายัางไงจะถูกน้อยนะ เรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างที่หลวงพ่อสอนนะแล้วทุกมันจะน้อยลงน้อยลงนะถึงวันหนึ่งมันจะไม่ทุกหรอกนะแต่ก่อนอื่นนะถือศีลห้าให้ได้ก่อนศีลห้าจำเป็นมากนะถ้าเราถือศีลได้สมาธิจะเกิดง่ายใจจะสงบคนไม่มีศีลใจจะไม่สงบหร อ, อย่างเราไปฟังเขาอภิปรายทางการเมืองนะอย่าไปด่าเขานะอืไม่ต้องไปร่วมด่าใครไปฟังแล้วด่าบ้างมีไหมด่าแล้วศีลหลังพลอยนะ ด่าแล้วมีความสุขไหมใจเราร้อนนะใจเราร้อนเพราะฉนั้นเราเนี่ยรักษาศีลนะเรารักษาศนะีลของเราให้ดีนะเกิดฉุกเฉินเป็นอะไรตายไปตอนนั้นนะร้อนมากเป็นลมตายก็ตายยังมีศีลนะยังดีกว่าไม่มีศีลนะแล้วก็พยายามฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองอย่าที่หลวงพาสอนเนี่ยรู้สึกตัวไปสบายสบาย แล้วก็เดินปัญญาเดินปัญญาโดยการที่เห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นจิตใจมันทํางานนะเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ตูดเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนั่นเป็นการเจริญปัญญาที่ง่ายๆแล้วล่ะนะงั้นอยู่ที่ไหนก็ทําได้ทางนั้นแหละรถติดก็เจริญปัญญาได้ใช่ไหมใจเราร้อนขึ้นมาเห็นความเร่าร้อนมันเกิดขึ้นมาดับไปเกิดดับไป เวลาลถติดไฟแดงรถติดไฟแดงรู้สึกไงติดไฟแดงแต่ละคันไม่รู้สึกไม่เท่ากันติดคันแรกเนี่ยเจ็บปวดที่สุดรู้สึกไหมคันแรกเนี่ยเจ็บปวดที่สุดเลยคันที่สิบเนี่ยพอทําใจได้นะคันที่ห้าสิบหรือคันที่ร้อยเนี่ยเซ็งมากเลยอีกรอบหนึ่งก็ผมไม่พ้นอ่ะเนี่ยความรู้สึกนะเราไม่เหมือนกันความรู้สึกเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆไปจะเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลง เคยรู้ทันร่างกายก็เห็นร่างกายมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง น, นะเป็นวิชาที่ไม่ยากเกินไปหรอกนะกรรมฐ า, านอย่างเนี้ยแล้วก็รักษาศีลห้าไว้ศีลห้า ก, ก็พอไม่ต้องศีลแปดหรอกะศีลห้า ก, ก็จําเป็นแค่นั้นแหละแล้วทุกวันควรจะแบ่งเวลาไว้สักสิบห้านาทีเอาไว้ไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็ทําในรูปแบบทําในรูปแบบก็คือนั่งดูร่างกายมันหายใจอย่างนี้แหละเนี่ยดูร่างกายหายใจนะ ใจหนีไปคิดก็รู้ทันมันรู้สึกกายรู้สึกใจนั่งซ้อมไปเรื่อยๆแล้วเวลาเรามาอยู่ในชีวิตธรรมดาชีวิตจริงๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตัวได้ง่ายร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเราจะเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีป้ายนะไม่มีป้ายชื่อว่าฉันเป็นนักปฏิบัติตรอกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็ปฏิบัติได้หายใจออกรู้สึกตัวเราก็ปฏิบัติลนะ หายใจเข้ารู้สึกตัวเราก็ปฏิบัติแนละ้วมีความสุขเรารู้มีความทุกเรารู้ดีเรารู้ชั่วเรารู้นี่ก็ปฏิบัติเสร็จแล้วนะไม่ต้องวางฟอร์มให้ดูดีรวางฟอร์มเนี้ส่วนใหญ่สุดตงไปข้างบังคับกายบังคับใจเอต่อไปนี้ให้ทุกคนทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปนะแล้วก็คอยรูทันใจของตัวเองดูทันร่างกายไปแต่ว่าอย่าไปดูจุดใดจุดหนึ่งนะ ถ้าดูอย่างธรรมานาปนาสติก็เห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมเห็นร่างกายหายใจไปสบายสบายใจผ่อนคลายเดี๋ยวใจก็สงบนะแล้วแป๊บเดียวก็สงบแนละ้พอใจสงบนะลมมันจะค่อยละเอียดละเอียดนะลมหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างนะลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างเราก็อยู่กับแสงสว่างจากแสงสว่างนะั้นจิตที่มีปีติมีความสุขมีอะไรขึ้นมามีความเป็นหนึ่งนะ จะเข้าฌานไม่ใช่เครื่องเถือวิสัยนะรู้วิธีถ้าจะนั่งเอาเป็เอาตายจะทำความสงบจะเข้าฌานเข้าไม่ได้เรเครียดต้องมีความสุขของง่ายๆนะเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าทำเป็นของง่ายๆนะแต่ใจลอยใช่ใช่ใช่ใจลอยเ <laughs> สึกนะพอสมควรนะ นวัตการหลวงพ่อค่ะขออนุญาตส่งการบ้านค่ะไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาหลายปีแล้วค่ะก็มไม่ไม่ค่อยมีพัฒนาการเท่าไหร่ได้ทำไมหมล่ะทำบ้างค่ะก็ทำบ้า ง, งสิแต่ไม่ค่อยพัฒนาถ้าทำสม่าเสมอคงพัฒนาแหละเมื่อเร็วๆนี้ได้ปิปวัดออตอนที่อยู่วัดมาก็เริ่มเริ่มเห็นไตรักบ้างขึ้นเล็กน้อ มีสติมากขึ้นเริ่มเข้าใจเริ่มมองเห็นไตรักมากขึ้นก็คือว่าอย่างอย่างเดินจงกรมหรือเดินสบายๆอยู่นั่งสมาธิหรืออะไรต่างๆกิจวัตรต่างๆอนะค่ะก็จะมองเห็นมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งต่างๆภายนอกเราจะเริ่มเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่นอนมันกลับกรอกมันยังเชื่อถือไม่ได <h ums> แ้แต่พอกลับมาจากวัดก็เหมือนเดิมค่ะ มนว่าท<ำ>โทสะเกิดง่ายขึ้นค่ะอืก็เลยอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเราก็ต้องฝึกอยู่ที่บ้านก็ต้องทำเหมือนอยู่ที่วัดสินะคือปฏบิบัติบ่อยๆหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่เป็นคราวาสนะเมื่อหลวงพ่อเนี่ยกล้าพูดเลยว่าคราวาสก็ทำได้นะตอนหลวงพ่อเป็นคราวาสนี่แหละภาวนาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์นะพระมานั่งฟังพอ หลวงพ่อออกมาจากครูบาอาจารย์วังทีพระตามมันถามแลยยมทำได้ไงใช้เวลาปีสองปีทําได้แบบนี้นะพระทำสิบปียี่สิปีน็คารวะก็ทำได้นะถ้าใจเราแข็งพอนะตื่นนอนมาเนี่ยแทนที่เราจะคิดเลื่อยเปลือยไปนะเราก็รู้สึกกายรู้สึกใจทังตัวเองไปจะทำอะไรก็รู้สึกกายรู้สึกใจจะกินข้าวก็รู้สึกเอานะเจอของชอบเจอของไม่ชอบใจเราก็ไม่เหมือนกัน จิตใจตอนที่อยู่วัดกับอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะจะปล่อยวางกับความปล่อยวางกับความยึดความปล่อยวางจะไม่เหมือนการอยู่วัดรู้สึกจะสบายสบายแล้วปล่อยวางได้มากกว่าแน่ละเพออยู่วัดเราไม่มีภาระอะไรเลยนะบ้านมันต้องดูแลภาระมันเยอะนี่ทําไงเราจะมีทรัพย์สมบัตินะแต่ไม่ทุกข์ทาไงเราต้องอยู่กับคนจํำนวนมากแล้วก็ไม่ทุกข์นะต้องค่อยๆฝึกเอาออโตนล จะให้ดีเหมือนอยู่วัดทำไม่ได้หรอกเราอยู่วัดเราไปอยู่แบบอะไรนะคล้ายๆคนไปพักโรงแรมอะ่ะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ใช่ไหมไม่มีเครื่องกังวลสบายเลยในนี้บ้านเราทุกอย่างต้องดูแลเองหมดเลยภาระมันเยอะเราเห็นไหมกายกับใจเป็นโคนละนะเมื่อกายกับใจเป็นโคนละนต่อไปนะไอ้ตัวนี้แก่ตัวนี้เจ็บตัวนี้ตายนะใจมันไม่หวั่นไหวนักหรอกนะเห็นไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายมันของชั่วคราว ไปดูซ้ําๆนะจนใจมันยอมใจมันยอมรับความจริงทําวิปัสนากรรมฐานเนี่ยก็คือการที่พาจิตใจนะให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจจนมันยอมรับความจริงนะแล้วมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลงรู้สึกไหมชีวิตมันทุกข์น้อยลงทุกข์มันจะสั้นลงน้อยลงนทุกข์สั้นลงค่ะแต่อารมณ์มันจะแปรปรวนนะแปรปรวนเพราะพอกทาสมถานี่ยอารมณ์ไม่แปรปรวนนิ่งลูกเดียว อยู่สามวันสามคืนก็ได้นะเงี้ยแต่พอหลุดออกมานะจะร้ายร้ายกว่าคนธรรมดาแต่พวกทำวิปัสนาเนี่ยอารมณ์มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะใจมันเป็นแค่คนดูไม่แทรกแสงจะเห็นในสุขทุกข์ดีชั่วมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไปฝึกเอาขอบคุณมากค่ะเห็นร่างกายหายใจไว้ใจลอยไปหมดแล้วนะ หลวงพ่อคะคือที่ผ่านมาจะไม่เข้าใจหลักการของหลวงพ่อเท่าที่ควรก็เลยเปึกยังไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้พออยู่ที่บ้านไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็จิตก็สงบดีแต่พอมาที่ทำงานแล้วหลายเรื่องฟุ้งซานไปหมดมันก็คุมจิตใจไม่ค่อยได้แต่พอมาวันนี้ฟังหลวงพ่อแล้วก็เข้าใจดีขึ้นอะคะ่ะได้พื้นฐานที่ดี รู้ว่าจะต้องยิ้มให้กับตัวเองใจที่ผ่อนคลายดูดูล่า<ม>งกายของตัวเองหายใจและมีสินห้าเป็นพื้นฐาน<ม>คิดว่าต่อไปเราน่าจะดีขึ้นค่ะก็ดีแล้วไปลองทำน ะ, ะมีบางคนนะมาเรียนจากหลวงพ่อบางคนไม่เคยมาด้วยตัวเองฟังซีดีเดือนเดียวชีวิตเปลี่ยนลนะเด๋ยว น, นี้มีเยอะมากเลยนะประเภทเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยเปลี่ยนนะเขาเห็นเลยว่าความทุกข์มันหายไป สัทุกมันสั้นลงถ้าถ้าก็ใจหลักที่ถูกต้องก็น่าจะได้ผลเร็วขึ้นนะคะใช่ใชที่ถูกมันคือไม่สุดโต่สองฝั่งเท่านั้นเองอ่าค่ะนี่เราไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้กันนะส่วนมากเราเรียนกรรมฐานเราจะไปเรียนรูปแบบนั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้หายใจอย่างนี้อนะไรเนี่ยแต่เราไม่ได้เรียนหลักในขณะที่พระเจ้าสอนธรรมะนะสอนเริ่มจากหลักนะธรรมเทศนาบทแรกชื่ออะไรจําได้ไหม ธรรมจักรกับวัตถนสูตรบทที่หนึ่งเลยนะสอนว่างไงสิ่งที่ไม่ให้สุดตรงนะฮะไ ม, ไม่ให้ไม่ให้บัณชิตซ่องเสพสองอย่างคือความสุดตรงสองด้านต้องเรียนตัวนี้ให้ได้ก่อนถ้าเรียนตัวนี้ได้นะใจเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางใจเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นตัว observer เป็นตัวดูเป็นผู้ดูจะดูอะไรดูกายมันทงานดูใจมันทงานนะ ทายจะเห็นความจริงดงนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้หลุดออกจากความสุดโต่งสองข้างเข้าสู่ทางสายกลางซะก่อนเนี่ยให้พาณนาให้ตายก็ทําไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าสอนก็เริ่มจากทางสายกลางนี่เองงั้นใจของเราจะเป็นทางสายกลางหรือเปล่าส่วนมากไม่กลางคนทั่วๆไปเนี่ยใจมันจะหลงสุดโต่ไปข้างตามกิเลสนักปฏิบัติใจมันจะเครียดบังคับตัวเองตลอดเวลาบังคับมากๆสติแตกนะทนไม่ไหวเครียด ละบาดไปใส่คนอื่นด้วยอารวาสนะงั้นเดินไปสู่ทางสายกลางให้ได้นะแล้วการปฏิบัติจะง่ายมากเลยเพราะไม่ได้ทำอะไรล้วแค่เห็นกายมันทำเห็นใจมันทำ ท, ที่ผ่านมาใช้นั่งนิ่งๆอย่างนั้นเครีย <laughs> ดด้วยปวดหัวค <laughs> ่ะอ้าวต่อไปนัสมการหลวงพ่อค่ะ ทั้ไม่เคยส่งการบ้านหลวงพ่อเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกมเคยฟังใช่ไหมเคยฟังซีดีแล้วก็อ่านเองสังเกตไม่ว่าใจเราเปลี่ยนใจเราสว่างขึ้นสบายขึ้นดูออกไหมดูออกค่ะมันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นนะมันไม่เหมือนคนธรรมดาหรอกะมันผ่องใสกว่ากันนะสังเกตไหมมันเบาเบาค่ะมันเบานะเห็นไหมว่ากายกับใจโคล่รักนรู้รู้กายรู้ใจมากขึ้นออืเห็นไหมมันทํางานได้เอง เห็นบางครั้งเห็นว่ามันเดินเองใจเราไปคิดเรื่องอื่นแต่อีกตัวหนึ่งมันเดินเดินอยู่เน่าพิคละอันกันแต่บางครั้งใจลอยก็จะไม่เห็นนะคะนั่นแหะใจลอยคือศัตรูเบอร์หนึ่งถ้าเพ่งไว้ก็ศัตรูเบอร์สองอจะถามหลวงพ่อเรื่องว่าก่อนที่จะฟังซีดีหลวงพ่อนะคะตอนนั้นเพิ่งหัดภาวนาใหม่ๆก็ภาวนาว่าพุโทโธภาวนาไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าจิตเนี่ย มันลงลึกมากอืตอนนั้นไม่รู้จักคําว่าจิตตั้งมั่นก็เพิ่งรู้สึกว่าจิตมันลงลึกลึกลงไปแล้วมันสบายอืมสบายจนเห็นว่าจิตอีกดวงหนึ่งมันหลุดออกมาเอออย่างนั้นแหละพอมันเห็นตัวเองอยู่ข้างนอกแล้วเรามันมีจิตอยู่อีกดวงนึงอยู่นั่งอยู่แล้วนี่เป็นตัวเราเหรออืมตอนนั้นรู้สึกว่าอ๋อสมาธิมันดีแบบนี้อืมันสงบแล้วมันก็สบายเราไม่จนสงบสบายหรอจนตอนนั้นไม่รู้ว่า จะต้องพิจารณาต่อไปเพราะยังไม่ได้ฟังซีดีหลวงพ่อก็ตกตกใจกลัวว่าเราจะเข้าไปไม่ได้อืพอเข้ามาแล้วมันก็มันก็ดิ่งๆลงมากว่าจะเริ่มตาได้มันเหมือนลงไปลึกมากค่ะนนั้แต่ช่วงหลังเนี่ยจิตรวมรวมเป็นเหมือนจิตเรานิ่งอยู่อย่างเดียวนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นสมถะสมถะค่ะทีนี้พอตอนหลังเนี่ยด้วยความพลังงานยุ่งยากวุ่นวายกับชีวิต ก็ลืมไม่ค่อยได้นั่งไม่ค่อยได้ภาวนาจนวันหนึ่งเนี่ยมาฟังซีดีหลวงพ่ออืก็ลืมรู้ว่าอ๋อตอนที่เราจิตนิ่งเนี่ยเราควรจะมีจิตที่มาดูว่าใจ เ, เราคิดยังไงจุดแป๊ บ, บนึงสังเกตไหมตอนที่เราพูดเนี่ยเราเผล อ, อเรากำลังไหลหไปในโลกของความคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึก ค, คิดธรรมะนะแล้วก็เพลินไปในธรรมะนะตัวเนี้เป็นอาการที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสชนิดหนึ่งนะมันฟุ้งในธรรมะนะ เพ้นถ้าพูดธรรมะสตาร์มจะไม่หยุดละนะให้รู้ทันถ้าจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นจริงๆวิปัสสนูจะหายอย่า ก, กลัววิปัสสน์นะเพราะว่าถ้าทําวิปัสนาถูกต้องเราก็ต้องเจอวิปัสสนูทุกคนแต่มั น, นมีสิบแบบเห็นใจที่มันอยากพูดธรรมะไหมเห็นค่ะรู้ทันอย่าไปยอมมันนะถ้ายอมมันจะโดนมันครอบไปนี้จะขอคาแนะนํา ห, หลวงพ่อว่าพอช่วงหลังเนี่ยเริ่มจะมาภาวนาใหม่ จิตมันไม่รวมแล้วค่ะมันเดินปัญญามันไม่รวมง่ายหรอกมันเริ่มเหมือนกับคอยรู้แต่ว่าจิตไหลไปรู้ทันดังนั้นมันฝึกให้จิตตั้งมั่นนะถึงเวลาก็ต้องน้อมใจให้สงบบ้างนะให้ใจเข้าบ้านถ้าใจไม่เข้าบ้านเลยนานๆไปนะใจมันจะฟุ้งนะววิปัสสนูไปเรื่อยๆใช่ไหมครับให้ใจมันถึงฐานจริงๆใจไม่เข้าฐานใจไม่เข้าฐานลุ่มหลังใจไม่เข้าฐานเลยใจไม่เข้าฐานนี่วิปัสสนูถึงเกิด ใชไมนะมีปรัสนามีสิบอย่างตัวที่ฟุ้งในธรรมะเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบตัวดังนั้นให้เรารู้ทันนะใจต้องเข้าฐานนะถึงจะหายขอบพระคุณหลวงพ่อวิปัสสนูมไม่ใช่บ้านะเป็นอาการของวิปัสนาที่ต้องเกิดมันเหมือนนิมิตน่ยเป็นอาการของสมถะวิปัสสนูเป็นอาการของวิปัสนาที่เวลาภาวนาไปมัดจะเจ อ, เจอไม่ต้องตกใจถ้าสมาธิพอจิตถึงฐานจะ ห, หายทันที เครียดไปเปล่าค่ะ <c oughs> เอออย่าไปบังคับมันนะเครียดไปดูเล่นเล่นเห็นใจมันเครียดไหม <c oughs> เห็นเลยค่ะว่ามันห้ามมันไม่ได้ะ <c oughs> ห้ามไม่ได้นั่นถูกแล้ว <c oughs> อย่าพยายามห้ามใจมันเครียดขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เราไปปฏิเสธมันเรายอมรับมันไม่ได้นะเราจะ ย, ยิ่งทุกข์นะยิ่งเครียดมากขึ้นถ้าใจเครียดแล้วเราก็มันก็เครียดนั่นแหละยอมรับได้นะใจไม่ถูกข์หรอก <c oughs> ไม่ว่าความรู้สึกชนิดอื่นไม่เฉพาะความเครียดนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันปรากฏขึ้นมาแล้วใจเรายอมรับได้นะใจจะไม่ทุกข์นะถ้าใจยอมรับไม่ได้จะเข้าไปแทรกแซงถ้าไปแทรกแซงแล้วใจจะยุ่งเหยิงขึ้นมาดูเล่นๆของหนูภาวนาใช้ได้นะหนูเห็นไหมกายกับใจเป็นคลนละอนดูออกไหมขึ้นอะค่น ะ, ะนั่น แ, <ค>แหละขันมนันลื่อแยกแนะล้วกายกับใจมันแยกออกจากกัน ถ้าแล้วก็ความรู้สึกกระจก็คนละานดูออกไหมสุขทุกข์ดีชั่วมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป <c oughs> ไใจเราไปนควนรดูอยู่ก่บคนละแห่งกันนะค่อยดูค่อยรู้ไปแล้วสงสัยอะไร <c oughs> ลืมถามอาจารย์เลย <c oughs> ไม่เห็นจะต้องสงสัยอะไรภาวนาถูกแล้วนี่ค่ะคืออ๋อค่ะ พระอาจารย์ก่อนค่ะก็คือว่าปีที่แล้วหนูเคยมาถามพระอาจารย์ว่าหนูก็คิดว่าหนูเห็นอะไรมาตั้งเยอะแล้วทาไมโลกมันยังดึงดูดหนูได้อยู่พระอาจารย์บอกว่ายังไม่เห็นทุกข์ใช่แล้วก็แต่ตอนนี้หนูคิดว่าหนูเห็นทุกข์แล้วอืแต่ว่ามั น, ม น, ย, นยังม<า>ไม่มากพอใช่ไม่พอถ้าเห็นทุกข์พอมันจะวางค่ะเห็นทุกข์ก็ใจก็วาง ความยึดถือในขันลงไปนะก็เข้าไปถึงธรรมใช่พระอาจารย์ยังไม่เข้าถึงธรรมเลยยังยังอย่ารีบร้อน <c oughs> <laughs> เวลาเราอยู่กับโลกอะนะเราหลงโลกมาตั้งหลายสิบปีได้เะนาะ <c oughs> มาปฏิบัติปีสองปีจะให้ถึงธรรมได้ยังไงใจเย็นๆสิ <c oughs> เกือบเจ็ดปีแล้วพระอาจารย์นาเจ็ดปีไม่ได้เจ็ดชาติก็ทร <c oughs> มันต้องได้เข้าสักทีหนึ่งนะ่ะ คือถ้าภาวนานะมันแค่แค่เรายิงจรวดนะเขาปล่อยจรวดอนะ่ะกว่ามันจะลอยขึ้นไปได้คืบแรกเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยทอหลุดออกไปแล้วยิ่งวิ่งยิ่งเร็วอะ่ะใช้พลังงานน้อยลงเรื่อยๆการภาวนาเหมือนกันอะ่ะช่วงแรกๆนะโอ้กว่าจะรู้สึกตัวได้แต่ครั้งนั้นเหนื่อยแทบตายเลยต่อไปนะมันเรื่องง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะการภาวนาจะยิ่งสะดวกยิ่งสบายขึ้นไม่ลำบากเท่าตอนแรกแรกหรอกตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ หนูไม่รู้ว่าจะทําใจยังไงคือคือหนูได้ยินแต่บอกว่าเราต้องคิดว่าเราต้องเหมือนมีมีมีตั้งเป้าว่าเราจะต้องทําในชาตินี้ hmm. แต่พอมาถึงตอนนี้หนูหนูจะไม่รู้สึกว่ามันคือเหมือนจะพระอาจารย์เข้าใจหนูใช่ไหม mm hmm. คือเหมือนเอาว่าหนู mm hmm. หนูรู้ว่าหนูไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับมันให้มันเป็นไปด้วยตัวของมันเอง นหนูก็จะแบบว่าเอาแล้วที่เคยฟังครูบาอาจารย์พูดมาว่าต้องตั้งใจหนูก็เลยไม่ว่าจะจะทำใจยังไงคือเราต้องวางใจว่าชาตินี้เรามีเป้าหมายเราจะศึกษาปฏิบัติธรรมนะอย่างขั้นต่ําดีที่สุดเลยเท่าได้โสดาอย่างเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องทําเหตุเป้าหมายเป็นการเตือนตัวเองทุกวันนะไม่ให้เราถลายออกนอกทางไปแต่พอตอนเราเดินในทางเนี้ยอย่าโลภไม่มีใครทําได้หรอกพระพุทธเจ้าเคยสอนนะ บอกว่าพิสูจนทั้งหลายชาวนามีหน้าที่สประการเวลาฝนตกก็ไปไถนานี่หน้าที่ที่1ไถนาเสร็จนะก็ไปหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จนะก็ทํางานที่สมคือดูแลเรื่องระดับน้ํานะน้ํามากเอาออกน้ําน้อยเอาเข้าถึงเวลาข้าวจะออกรวงเองภิกษุทั้งหลายเธอมีหน้าที่สอย่างคือศีลสิกขาจิตศิกขาปัญญาศิกขาเมื่อเธอทําหน้าที่สามอย่างนี้สมบูรณ์แล้วนะอริยมรรคจะเกิดเอง เหมือนที่ข้าวออกรวงเองเราสั่งต้นข้าวให้ออกรวงไม่ได้ข้าวมันออกเองแต่ว่าเราทําเงื่อนไขที่ทําให้มันออกงั้นหน้าที่เราเนี่ยรักษาศีลห้าอย่าให้ดังพลอยพยายามรักษาให้ดีนะวิธีรักษาศีล5้าให้ดีก็คือมีสติรักษาจิตของตัวเองไว้คอยรู้ทันกิเลสอนะ่ะกิเลสอะไรทำให้เราผิดศีลถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ไม่ผิดหรอกนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้สมาธิ เราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมาเดินปัญญามาดูกายมันทํางานมาดูใจมันทํางานนะทํำมากพอถึงเวลามันก็จะเป็นเองตรงสี่ห้าและะ้วค่ะพระอาจารย์หนูจะเป็นคนที่รุนแรงมากแล้วมันจะไปปากมันก็ไปไปหมดแล้วพระอาจารย์ไม่เป็นไรตอนนี้ยังแพ้อยู่นะถ้าไปสติเราเ ร, าเร็วขึน้นก็ชนะเองเนะี่ยมันไม่แพ้ตลอดหรอก เต้าสู้สเอาแต่หนูเห็นทุกข์แล ok ้วใช่ไหมคะพระอาจารย์เห ok ็นเป็นลําด ok ับไปนะเอยังไม่เห็นแจ้งหรอกเห็นแจ้งก็จะพ้นทุกข์เลยเห็นทุกข์คำว่าเห็นทุกข์นี่ยทุกข์ตัวสุดท้ายที่เห็นเราจะเห็นพระตัวจจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงหรอกค่ะนะยังไม่เห็นหรอกถ้าเห็นตัวนี้นะก็ใกล้จะจบแล้วมันจะปล่อยวางจิต ผูะอ่านคะเมื่อเร็วๆนี้หนูหนูได้มีโอกาสไปบวชพราหมณ์แล้วก็เสร็จแล้วหนูเอาอาหารให้ปลาค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็คงเป็นนิมิตค่ะค่ะคือตอนแรกหนูก็เห็นปลามันก็มีอยู่บ้านหนูก็แบบรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับต้องดิน้นหลนแล้วทีนี้เนี่ยอยู่ๆบ่อ น, นั้นเงินเต็มไปด้วยปลาปลาเต็มไปหมดเลยแล้วมันเหมือนทุกข์มันมันอยู่หนึ่ง แล้วหนูก็รู้ว่าหนูเองก็เป็นหนึ่งในปลาพวกนั้นถูกแล้วแล้วก็หนูก็ร้องไห้คือมันทั้งสลดทั้งสังเวช ท, ทั้งสงสารทั้งกลัวคือมันหนูแต่ท้องเต็มในใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะให้ลงมาดูที่จิตหนูก็พูดอย่างนี้ตลอดเวลาหนูก็เห็นดูมาดูที่จิตหนูก็เห็นแต่ว่าจิตของหนูว่ามันเห็นทุกข์แต่มันไม่มากทพอเราเราอย่าให้ความรู้สึกนะครอบงําจิตนะถ้าเรา ถูกความรู้สึกครอบงำจิตน่าจะอินเหกับมันไปดังนั้นเราจะเห็นเลความทุกขนน์ก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะแยกกันอีกนะใจจิตใจเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วก็ ร, รู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางถึงจะใช้ได้ตอนนี้เราถูกอารมณ์<ไ>สลดสังเวชครอบงำใจถูกอารมณ์ครอบนะงั้นให้ดูเข้าไปตรงๆเลยให้รู้ทันว่าตอนเนี้ยจิตถูกอารมณ์นี้ครอบอยู่ดูตรง ๆ, ๆเข้าไปมันจะขาดออกไปะ ไม่งันถูอารมณ์สลดใจครอบงำแล้วก็จะเศร้าก็จะอินไปเอออินอินแบบนักปฏิบัติใช้ไม่ได้เหมือนกันนะถึงแม้หนูจะท่องในใจแล้วแต่ว่าเนื่องจากปัญญามันไม่มากพอมันก็ไม่ได้อยู่ดีมันอินนะมันยังอินอยู่ขอบพระคุณค่ะกราบนัพรสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อต้นเดือนไปสงกันบ้านที่ที่วัดนะคะและ้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยไปเพ่งกับ ไปดัดแปลงเอติตตัวเองแล้วก็ให้ไปปรับการวิธีว่าให้เป็นเดินจงกรมแต่ให้ดูร่างกายกับใจไม่ทราบว่าก็พยายามทํำแล้วก็ใช้วิธีเดินจงกรมแล้วก็หลีกเลี่ยงการนั่งสมาธิที่นั่งดับตาและดิ่งทีนี้ก็เลยไม่ช่วงนี้เลยไม่การนั่งสมาธิแล้วก็ใช้วิธีเดินจง ก, ม ก, ก, งกรมอย่างเดียวตอนเช้าไม่ทราบว่าณตอนนี้นะครเนี่ยไปถูกทางไหมเรารู้ตัวด้วยตัวเองได้นี่ใจเราเป็นยังไงละ่ะดีดีขึ้นสบายขึ้นนั่นแหละคือคําตอบ แต่เราไม่ได้เอาสบายหรอกนะเราฝึกจิตฝึกใจของเราจนกระทั่งเราเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานนะอย่าเราไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสุขไม่ได้เอาสงบอะไรต่อแต่ว่าดีสุขสงบนั้นเป็นของแถมมันมาเองอนะ ล, ล, ล้วดูความจริงของมันเรื่วยแล้วที่บอกแยกแยกกายแยกใจนี่เหมือนกับตัวเองคิดนำไปก่อนไม่ทราบคิดก่อน<ป>ก็ได้นะสุดท้ายมันแยกเองนะอะถ้ามันไม่เคยแยกมาแต่ชาติอนก่อนนะตีต้องคิดนา แล้วไม่ทราบอาจารย์มีการบ้านอะไรให้ทําเพิ่มขึ้นนะไปทําอีกการบ้านอันนี้เราทํากันทั้งชาติเลยเราเดินจงกรมอย่างเดียวได้ไหมคะโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิแบบจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่แบ่งเวลานะชั่วโมงนี้ไปเดินจงกรมชั่วโมงนี้เลิกปฏิบัติเนี่ยเข้าใจการปฏิบัติยังไม่ถ่องแท้นะดังนัการปฏิบัติธรรมเนี่ยนั้นต้องทําในทุกอิริยาบถนะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจทุกทุอิริยาบถ ไม่มีเวลายกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดเท่านะถึงจะยกเว้นกับเวลาหลับเวลาที่เหลือนะคือการปฏิบัติทั้งหมดเลยเพราะฉนั้นจะมาบอกวันนี้ปฏิบัติดีเดินจงกรมสามชั่วโมงแล้วเวลาที่เหลือหลงไปหรอเพราะนทุกอิธิยาบทนะนั่งอยู่ตรงเนี้ไม่จําเป็นมันต้องไปนั่งท่านี้เนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายมันนั่งนี่ก็นั่งสมาธิแล้ว เดินจงกรมอยู่เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะใจหนีไปก็รู้ทันนี่ก็คือฝึกสมาธิแล้วแล้วอย่างออกกํลาลังกายนี่เราก็ใช้ได้ใช่ไหมคะคือตอนออกกำลังกายแบบเดินแอร์วอเกอร์อย่างนั้นนะครัหลวงพ่อไม่ค่อยเจอนะอหาเคสตัวอย่างมาดูยากเลยบางคนบอกว่าลําอะไรนะชี้ <I S 1> กงไท <K ek. S 1> เก็ตไม่เห็นทําได้สักคนเลยเ อ, อยังไม่เคยเจอไม่ตอบว่าไม่ได้นะเขาบอกว่ายังไม่เคยเจอคนที่ทําได้ นี่ก็เห็นมีแต่ลำยิ่งมีลำอะไรพวกหนึ่งอ่ะที่ําแล้วก็จิตใต้สํานึกครอบงําอะไรเงี้ยยิ่งขาดสติหนักเข้าไปอีกเดี๋ยวคิดมากกล่าวนมัธกาหลวงพ่อค่ะหนูได้ฝึกเ อ, อสมถะมาปีกว่าแต่ว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วไปนอนที่วัดอะคะอ่ะหลวงพ่อบอกว่าหนูเพ่งแล้วก็คลุงซ่านแล้วก็เ อ, อโลภแบบว่าอยากจะก้าวหน้า หนูก็กลับมาทบทวนกันเพ่งตอนนี้เพ่งก็ลดลงอะนะคะใจเบาแล้วแต่ว่าจะอยากจะถามหลวงพ่อว่าเบาอะเบาจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยแคล่วคล่องว่องไวอย่างที่หลวงพ่อเคยเทศอะค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เบาถูกหรือว่าเบาไม่ถูกอะเบาถูกแล้วะค่อมันว่องไวแค่เนี้นะไม่ใช่ไว่ายปลื้ดปลัดนะแล้วก็ปลัดเปลียวว่องไวหมายถึงมันไม่ไปติดหนึบอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรอกเห็นไหมใจเราเปลี่ยนตลอดค่ะเห็นค่ะ แต่ว่าตัวหนูเนี่ยถนัดดูกายมากกว่าดูจิตนะคะหลวงพ่อเวลาทํางานแล้วเคลื่อนไหวทางกายก็จะรู้สึกแต่ทั้งจิตเนี่ยกิเลสอะไรก็ไม่ค่อยเห็นนะดูกายได้กระดูกายนะแต่อย่าไปเพ่งกายก็แล้วกันค่ะให้ให้รู้กายอย่าเพ่งกายเวลาหนูทําในรูปแบบหนูก็รู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของจิตแต่ว่าเหมือนจิตไม่ถึงฐานจริ ง, จรงๆจะเบาๆเลยลอะค่ะหลวงพ่ อ, พอถ้าอยากจะรู้สึกเนี่ยเหมือนต้อง ตั้งใจแล้วมองลงไปสังเกตจริงเบื้องต้นต้องจงใจนิดหน่อยต้องเกินจริงนิดนึงก่อนถ้าเบื้องต้นจะเอาให้พอดีจะหย่อนไปก็ขอขอถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็อริยบูชาแล้วก็ถึงแม้จะทําไม่ค่อยเป็นนะคะหลวงพ่อแต่ก็จะพยายามต่อไปค่ะถูกแล้วล่ะถ้าพยายามถ้าทําเป็นแล้วก็ไม่ต้องหรอกยังทำไม่เป็นยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกก็ต้องทําต่อไป ค่ะหลวงพ่ออีกนิดหนึ่งนะคะจุดอ่อนก็คือระหว่างวันที่ทํางานเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นกิเลสนะคะทํางานอะไรทําทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะโอะไม่ได้หรอกเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดน ะ, ะดูกายก็ไม่ได้ดูใจก็ไม่ได้ต้อง<ช>ดูงานสติสมาธิปัญญามอยู่ที่งานก็ลเลยทางออกก็เลยทานข้าวเสร็จสิบนาทีก่อนทํางานก็มาเดินจงกรมเอาแบบเอาอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนั้นถูกลวะวเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นแหละ เขาจ้างเราทํางานอ่ะเขาไม่ได้จ้างเรามานั่งสมาธินะก็แอบแอบค่ะบางทีอย่างหลวงพ่อใช้วิธีอย่างนี้นะเดินไปห้องน้ําอ่ะใช่ค่ะเดินไปห้องน้ำน่าหลายทีหัวหน้ามันชักมองแล้วก็นั่งฝึก็อเก็บเล็กเก็บน้อยเพวกเราอย่าดูถูกเวลานิดๆนะเวลาเล็กๆอ่ถ้าชั่วโมงหนึ่งเราปฏิบัติห้านาทีเนี่ยสิบสองชั่วโมงเราได้ชั่วโมงหนึ่งนะ ห้านาทีก็สำคัญน ะ, ะเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆวันๆหนๆึ่งนะได้เยอะเลยขอบพระคุณค่ะกาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะดิฉันมากาบเรียนรายงานการปฏิบัติค่ะปฏิบัติในรูปแบบวันละหลายชั่วโมงค่ะบางครั้งนั่งนั่งอยู่เฉยๆขยับมือจิตก็ทำท่าเหมือนจะรวมแต่ก็ไม่เคยปล่อยให้รวมค่ะบางครั้งเดินจงกรมก็จะมีความสุขอยู่อย่างนั้นนะคะ เป็นวันเป็นคืนขอหลวงพ่อชี้เน่ยเวลามัน ม, ม, มีความสุขนะเราก็เห็นร่างกายมันทำงานไปนะแต่ถ้ามันสุขแล้วชฉยสบายอย่างเดียวนะช่วยมันคิดหน่อยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกดูร่างกายเป็นส่วนส่วนไปผมกลเล็บฟันหนังอะไรน ะ, ะใจจะได้ไม่ติดสมาธินิ่งๆ<ะ>นะดูดูร่างกายแยกส่วนไปเลยแยกเป็นชิ้นๆไป<ะ>นะใจจะได้ไม่ติดเฉยๆ<ะ>ใจสบายดีอะเนาะ คนที่สมาธิมากๆากต้องเดินปัญญาโดยการดูกายนะเราจะไปดูจิตดูใจไม่ค่อยมีอะไรให้ดูมสบายว่างๆอยู่งั้นนะก็ดูตายไปะ uh huh. เห็นร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราช่วยมัคิดหน่อยก็ได้เบื้องต้นช่วยมันคิดนิดหน่อยก็ร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราอะไรอย่างนี้ดูอย่างนี้ได้่อยๆต่อไปมันจะเห็นเอง มาถูกทางแล้วนะคะถูกถกแล้วนะมาสักการค่ะถ้าตายขนาดนี้นะไปสู่สติแน่นอนเลยเพราจิตจิต ด, ดีาาาการมาสัการหลวงพ่อค่ะส่งไปบ้านหลวงพ่อครั้งสุดท้ายก็ประมาณปีกับสีเดือนมาแล้วการบ้านครั้งสุดท้ายก็หนูฟุ้งสั้นแล้วก็หลวงพ่อใกลับไปที่ศีลแล้วก็ให้ไปดูตัวอย่าง จากนั้นกลับไปบ้านก็ก็อยากปฏิบัตินะคะ<ม>ก็ไอตัวอยากตัวนั้นจิตมันก็แข็งมันก็ทื่อมันก็มันมันไม่ยอมคลายจากความอยาก<ม>ที่จะปฏิบัติอยากจะดีอะคะ่ะ<ม>แล้วก็เป็นอยู่นานหลายเดือนก็จากนั้นก็มาคิดว่าเพราะว่าคิดที่ว่าอยากจะให้มันอะไรนะคะแจ้งในธรรมในชาตินี้เราก็มานั่งคิดว่าอาจจะเพราะความคิดนี้ก็เลยชั่งมัน เป็นยังไงก็บรรลุหรือไม่บรรลุก็ช่างมันก็ลองทําไปใจก็สบายขึ้นนะคะก็เริ่มเห็นว่ามันอจิตที่คือกุศลมันก็เกิดขึ้นมันเองมันเกิดเกิดของมันเองมันดับอกุศลเกิดเองมันก็ดับแล้วก็ตามรู้ตามดูไปนะคะแล้วก็ทําในรูปแบบบางค่ะก็ดีแล้วล่ะดีกว่าเก่าเยอะเลยนะอดทนนะค่อยฝึกค่อยทำไป จะทําอีกไหมค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอโอกาสทุกท่านในที่นี้นะครับเป็นตัวแทนกล่าวคาถวายทานที่ได้ถวายกันไปนะครับทุกท่านน้อมจิตตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัิจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประมุขประมุขโชว พรอะอาจารย์ได้ปดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเถินเ่ย า, าวาบริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกปะปฏิอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชชตุ สัพเพภูเรนตูสังคปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิทจังุทาปจายโนจตารโธรมาวัฏทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง หลวงพ่อขออนุโมทนานะกับท่านผู้จัดทางมหาวิทยาลัยเทศมหาวิทยาลัยนี้สามครั้งแล้วนะเป็นมหาวิทยาลัยที่สนใจธรรมะแล้วก็เท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะพวกเรามาฟังธรรมเนี่ยเราสนใจกันจริงๆอ่ะตั้งใจฟังกันนะถือว่าใช้ได้นะโอกาสที่ ในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเราจะได้ฟังธรรมะจริงๆมันมีไม่มากหรอกนี่ถ้าเราได้ฟังแล้วเนี่ยเอาไปทําำลองไปทํานะเดือนหนึ่งสองเดือนไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนเรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดการแล้วพระพุทธเจ้าให้ทางออกเราไว้แล้วะเรียนให้รู้เรื่องแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะมีความสุขทุกคนนะ